ชีวิตจะวัฒนาถ้าได้ปราโมทมาเป็นพื้นใจได้บอกไว้ว่าอยากจะเน้นความสุขที่จะใช้ในทางปฏิบัติกันเลย3อย่างและในสอย่างนั้นคือ 1. เรื่องการมาสุข 2. เรื่องความสุขทางสังคมอย่างที่สคือความสุขในการพัฒนาชีวิต ความสุขในการพัฒนาชีวิตนี้อยู่ในประเภทของความสุขภายในที่ว่าสร้างขึ้นเองได้โดยเฉพาะที่ต้องถือว่าสำคัญมากคือเป็นความสุขที่เกิดพร้อมกันไปกับการพัฒนาของชีวิตหรือความสุขที่ดำเนินไปด้วยกันกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราพัฒนาชีวิตของเราคือพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญา จะเรียกว่าเจริญภาวนาหรือเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าอะไรก็ตามเมื่อการพัฒนาชีวิตเจริญภาวนาหรือปฏิบัติธรรมนั้นเดินหน้าไปก็จะมีความสุขชุดนี้ขึ้นมาดังที่บอกแล้วว่าเป็นความสุขข้างในที่จริงไม่ใช่ว่าความสุขเป็นชื่อของธรรมนี้ทั้งชุดแต่ความสุขเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชุดนี้และธรรมทั้งหลายในชุดนี้เป็นอาการของความสุข เป็นเหตุเป็นผลเนื่องกันอยู่กับความสุขและเราก็กำลังพูดถึงเรื่องความสุขก็เอาความสุขเป็นจุดเน้นเลยเรียกเป็นชุดความสุขทำชุดนี้เป็นภาวะของจิตจะเรียกว่าสุขภาวะหรืออะไรก็แล้วแต่มีอยู่ด้วยกันห้าข้อพระพุทธเจ้าทรงเน้นอยู่เสมอถ้าใครปฏิบัติทำได้ผลก็จะก้าวไปในธรรมห้าข้อนี้ ถ้าใครไปปฏิบัติทมแล้วไม่มีห้าข้อนี้เกิดขึ้นก็ไม่พึงหวังที่จะประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าตรัสให้เห็นตัวอย่างเช่นไปฟังธรรมมาก็ยกเอาธรรมนั้นมาวิจัยพอปัญญาเดินหน้าแล้วเดี๋ยวก็เกิดธรรมที่เป็นภาวะจิตชุดนี้นี่คือถ้าปฏิบัติถูกทีน่นี้ความสุขที่เนื่องด้วยการพัฒนาชีวิต หรือจะเรียกว่าสุขในการปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ห้าข้อนี้ก็เหมือนกับในชุดความสุขทางสังคมคือมีฉันทะเป็นฐานและดำเนินไปตามลำดับแต่ไม่แสดงออกไปข้างนอกเป็นคุณสมบัติที่เป็นไปภายในโดยตรงกับตนเองท่านเรียกว่าธรรมสมาธินับว่าเป็นชื่อที่แปลกธรรมสมาธิมีห้าข้อ ซึ่งมาต่อกันตามลำดับคือหนึ่งปาโมชความร่าเริงเบิกบานใจหรือร่าเริงบันเทิงใจเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจซึ่งทุกคนควรจะมีตลอดเวลามีพุทธพจน์ในธรรมบทว่าปาโมจะเปโวโลพิกุประสันโนพุทธสาสเนอธิคัดเฉปทางสันตังสังขารูปรส ม, มังสุ ข, ขัง แปลว่าพิกษุผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบรรลุถึงสันตบทที่สงบสังขารอันเป็นสุขอีกแห่งหนึ่งตรัสถึงพิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วก็ลงทายว่าตะโตปาโมจะพหุโลทุกขัดสันตังกฤตติแปลว่าแต่นั้นผู้มากด้วยปราโมท จักทำทุกให้หมดสิ้นไปนี่ก็หมายความว่าคุณสมบัติประจำใจอย่างแรกที่สำคัญซึ่งแสดงว่ากำลังพัฒนาก้าวหน้าไปและมีทางที่จะพัฒนาต่อไปได้ดีก็คือปราโมทซึ่งเมื่อมีมากก็หวังได้ว่าจะลุกถึงนิพพานหรืออยู่ใกล้นิพพานแล้วต่อไปธรรมสมาธิข้อสองปีติ ความอิ่มใจปราบปลื้มใจพอมีปราโมทใจร่าเริงแล้วก็จะเกิดมีปีติธรรมสมาธิข้อสปัดสติความสงบเย็นเรียบรื่นใจผ่อนคลายกายใจไม่เครียดพึงสังเกตว่าปัดสติคือความผ่อนคลายนี้เป็นจุดเชื่อมถึงการระหว่างกายกับใจถ้ากายเครียดใจก็เครียดถ้าใจเครีย กายก็เครียดพอมีปีติอิ่มใจแล้วปัสสัิก็มาก็จะสงบเย็นผ่อนคลายธรรมะสมาธิข้อ4สสุขความช่ำชื่นเรื่อนใจคล่องใจไม่มีอะไรกดดันบีบคั้นพอปัสสัิมาแล้วสุขก็ตามมาธรรมะสมาธิข้อ5หสมาธิภาวะที่จิตมั่นแน่วอยู่ตัว ไม่มีอะไรกวนและจิตนั้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการสุขมาแล้วสมาธิก็เกิดได้เมื่อสมาธิมาแล้วก็ได้จุดเชื่อมต่อจิตสู่ปัญญาโดยสมาธิทำให้จิตใจพร้อมที่จะเป็นฐานให้แก่การทำงานของปัญญาเมื่อปัญญาพัฒนาเดินหน้าไปการที่จะพัฒนาอะไรทางด้านชีวิตจิตใจก็เป็นไปได้ดาเนินไปได้ด้วยดี เป็นอันว่าในการพัฒนามนุษย์ต้องให้จิตใจมีคุณสมบัติสำคัญหอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนศึกษาหรือการทำงานต้องให้ใจมีภาวะจิตห้าอย่างนี้จึงจะเดินหน้าไปด้วยดีการพัฒนาชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมจึงจะได้ทางที่ปลอดโปรง่งถ้าเดินไม่ถูกทางก็ยุ่งก็จะเกิดภาวะตรงข้ามความเครียดเป็นต้นก็จะมา ปราโมดก็ไม่มีปีติก็ไม่มีปัดสธิก็ไม่มีสุขก็ไม่มาสมาธิก็ไม่เกิดกลายเป็นว่ามีแต่ตัวกวนตัวกีดขวางจิตใจไม่ดีไม่ปลอดโปรง่งเลยพัฒนาคนไม่ไปหรือเอาดีไม่ได้ถ้ามีคุณสมบัติ ด, ด้านไหนชุดนี้แล้วก็จะเชื่อมถึงกันหมดคือคุณธรรมทางสังคมกับคุณธรรมในตัวเอง ซึ่งสอดคล้องรับกันอยู่แล้วก็มาโยงกันหรือประสานกันกลมกลืนเข้าด้วยกันเมื่อเรามีเมตตาต่อผู้อื่นก็คือตัวเราปฏิบัติเมตตาธรรมนั้นจึงเป็นการฝึกตัวเองเป็นการพัฒนาตนการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองเป็นการปฏิบัติธรรมของตัวเราเองดังนั้นเมื่อมีเมตตาแก่เขา เมื่อเราทำประโยชน์แก่คนอื่นการปฏิบัติธรรมของตัวเราเองก็เจริญงอกงามพร้อมกันนั่นเองพอเรามีเมตตาแผ่ออกไปในใจก็มีปราโมทเกิดขึ้นได้ด้วยพอมีปราโมทแล้วทำอื่นก็เข้ากระบวนมาปีติเป็นต้นก็เกิดด้วยในข้ออื่นก็เหมือนกันเราไปช่วยคนที่เขามีความทุกข์ด้วยการุณาพอเห็นเขามีร่างกายดีขึ้น หายเจ็บหายไขย้หายป่วยสบายขึ้นเราก็เกิดมีปิติอิ่มใจแล้วข้ออื่นๆรวมทั้งความสุขก็มาทีนี้เมื่อเราเป็นคนมีปราโมทร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอมีปสัสทิไม่เครียดใจเรียบรื่นผ่อนคลายตลอดเวลาอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็ทำให้บรรยากาศดีใครพบใครเห็นใครพูดจาด้วยเขาก็สบายใจ รอยเป็นสุขตามไปเราก็กลายเป็นสื่อนำกุณธธรรมและความสุขให้มีให้มาแก่คนรอบข้างได้ง่ายก็เลยเป็นการเกื้อกูลแก่ความดีงามความเจริญและความสุขของคนอื่นไปด้วยอย่างที่ว่าพอเข้าทางถูกแล้วสิ่งที่ต้องการก็ตามกันมาเองเป็นกระบวนเป็นของโยงต่อเนื่องกันไปหมดเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆก็แค่ ทำใจให้ปราโมดทั้งวันถ้าจะให้ยิ่งดีก็จะเริญเมตตาไปด้วยถึงแม้ไม่ปรารถนาหน้าตาก็จะเอิบอิ่มงดงามแถมมากด้วยมิตรสหายที่ร่วมมือร่วมใจอยู่กันอย่างสุขสันต์อีกทั้งชุมชนและการงานก็จ ะ, จะเจริญงอกงามไปด้วยพร้อมกันถึงตรงนี้ได้พูดถึงความสุขผ่านมาแล้วหลายอย่างทั้งการมาสุขความสุขทางสังคม และความสุขในการพัฒนาของชีวิตก็ลองนำมาโยงเอามาเทียบกันดูความสุขประเภทที่หนึ่งคือการมาสุขพวกความสุขอิงอามิ t h เป็นความสุขที่เอาจากข้างนอกเอาเข้ามาให้แก่ตัวต่างคนก็ต่างจะเอาหรือจ้องจะเอาก็เลยเป็นความสุขที่แย่งกันเป็นไปในทางที่จะก่อทุกข์แก่คนอื่นและแก่กันและกันจึงต้องระวังต้องควบคุม การที่ตรัสศีล5ห้าก็เพื่อมาคุมเรื่องการมศนี้คุมการสแสวงหาคุมการเสพวัตถุของมนุษย์ทั้งหลายให้อยู่ในขอบเขตที่จะไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ให้เบียดเบียนกันเกินไปจะหาจะเสพกันแค่ไหนจะแข่งจะแย่งชิงกันไปก็อย่าให้ถึงกับเดือดร้อนเหลือเกินจนโลกลุกเป็นไฟนี่แหละที่เอาศีลห้ามาคุมก็บอกให้รู้ว่าความสุขประเภทนี้ ต้องอยู่ในความควบคุมให้คอยดูแลกันไว้ส่วนความสุขประเภทที่2ความสุขทางสังคมเป็นการให้หรือเอื้อความสุขแก่ผู้อื่นแก่สังคมจากใจของคนที่มีเมตตากรุณาเป็นต้นที่อยากให้อยากเห็นคนอื่นเป็นสุขจึงเป็นความสุขด้วยกันความสุขประเภทสุดท้ายความสุขในการพัฒนาชีวิตชุดธรรมสมาธิห้า มีปราโมดเป็นต้นเกิดขึ้นภายในใจไม่กระทบกระทั่งใครเป็นความดีงามบางทีก็เกิดจากการทำดีต่อผู้อื่นและเป็นต้นทางของการทำดียิ่งขึ้นไปกว้างออกไปแผ่ออกไปจึงเรียกว่าเป็นความสุขข้างในไปถึงกันนอกจากไม่เสียหายแก่ใครแล้วก็มีแต่ส่งเสริมความดีงามความเกื้อกูลดังนั้น ความสุขสองอย่างหลังนี้คือความสุขทางสังคมและความสุขในการพัฒนาชีวิตนั้นตรงข้ามกับการบั่นรอนเบียดเบียนกลับเป็นความสุขที่เกื้อหนุนชีวิตและเกื้อกูลสังคมมาช่วยหมู่มนุษย์ที่อยู่กับกามาสุขทั้งในทางผ่อนเบาบรรเทาโทษภัยจากการเบียดเบียนกันให้หันมาใช้กามโภคะในทางที่เกื้อกูลกันอยู่ร่วมกันให้ดีได้พร้อมทั้งมีชีวิตของตนของตนที่ปรานีตขึ้น และมีทางออกไปสู่การพัฒนาชีวิตให้ดีงามสูงขึ้นไปจึงต้องเน้นให้มนุษย์ที่อยู่กับการมาสุขต้องพัฒนาความสุขสองชุดหลังคือความสุขทางสังคมและความสุขในการพัฒนาชีวิตนี้ด้วยตรงข้ามกับการมาสุขที่ว่าถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็มีหวังว่าจะทำให้เบียดเบียนกันในสังคมและบั่นรอนชีวิตของตนจึงต้องควบคุมแต่สุขสองอย่างหลังนี้ มันหนุนการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาสังคมเป็นไปในทางที่ดีจึงต้องส่งเสริมกันให้เต็มที่